เรื่องสนิมในใจการเสริมสร้างจิตใจก็มีหลักการคล้ายๆกับการเสริมสร้างสิ่งภายนอกนี่แหละคือต้องพิจารณาถึงพื้นเพของจิตใจด้วยแต่าหากใจที่มีจุดต่างพร้อยหรือมีรอยไม่บริสุทธิ์อยู่แม้จะหาความดีอย่างอื่นมาพอกพูนเพิ่มเติมเข้าไปริ้วรอยอันน้าตําหนินั้นก็จะลดความดีงามของจิตลง และจะฉายออกมาภายนอกลดความน่านิยมนับถือลงอีกด้วยเหมือนจุดดำในฟิล์มหนังลดความน่าดูของหนังลงนั่นเองฉะนั้นในการสร้างความดีความเจริญแก่ชีวิตจิตใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำกิจสองอย่างควบกันไปเสมอคือ 1. กํากำจัดจุดเสียในใจในวงเล็บปหาญากิจและ 2- หาความดีใส่ใจในวงเล็บภาวนากิจการกำจัดจุดเสียในใจหมายความว่ากำจัดสิ่งไม่ดีออกเสียจากใจให้เหลือน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีเลยยิ่งเป็นการดีเหมือนกับเราจะผัดแป้งแต่งตัวต้องดูด้วยว่าที่ตัวเรามีรอยเลอะเทอะเปลือเปลื่นบ้างหรือไม่ขี้หูขี้ตา เรียบร้อยดีแล้วหรือถ้ามีก็กำจัดออกไปเสียไม่เช่นนั้นจะเสียแป้งเสียน้ำหอมเปล่ามันแต่งไม่ขึ้นเขียนคิ้วเสียโคง้งแต่ขี้ตาไม่ได้เช็ดออกก็หมดงามทาปากสีแดงแจ๋แต่ขี้ฟันหนาเกล็ดก็หมดสวยเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุธรรมดาธรรมดาไม่ต้องพูดมากจะเสียเวลาระยะทางข้างหน้ายังไกลนะัก ทีนี้เรื่องของความเสียมันมีอยู่ไม่เท่ากันอย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่ความเสียมันเกิดขึ้นสองทางคือ 1. มีอะไรเปื้อนที่เปลือกไข่ตีเสียว่ามันเปื้อนขี้ไก่ก็แล้วกันไข่เปื้อนขี้ไก่มันก็ดูสกปรกน่าเกลียดไม่น่าจับต้องนี่เสียนอกและ 2. ว่าไข่ฟองนั้นไม่มีอะไรเปื้อนเปลือกข้างนอกเลย เปลือกขาวผ่องแต่ว่าเนื้อในของไข่นั้นมันเน่าขึ้นเองมันเน่าอยู่ข้างในนี่เสียข้างในเสียนอกกับเสียในอย่างไหนเสียมากกว่ากันเอาไว้ก่อนนึกถึงมีดที่เขาทำครัวอีกหน่อยมีดที่ในครัวนั้นมันมีทางเสียมากสองทางเหมือนกันคนใช้ของไม่เป็นเอามีดไปหั่นเนื้อแล้วไม่ล้างไม่เช็ดเลือดยังจับกราบ น่าเกลียดนักนี่ก็ความเสียของมีดแต่เสียนอกเสียอีกอย่างเสียในคือมีดไม่มีใครทาเลอะเลยเก็บเอาไว้เฉยๆนี่เองแต่มันเกิดสนิมเกิดขึ้นในตัวมีดสนิมที่ว่าน่ะไม่ได้มาจากไหนมันเกิดจากเหล็กที่เป็นตัวมีดนั่นเองแล้วมันกัดมีดให้กร่อนไปไม่น่าใช้ไม่น่าซื้อไม่น่าขาย ใจของคนเราก็เหมือนกันกับสิ่งทั้งหลายคือความเสียหายมีมาสองทางคือเกิดจากอารมณ์ร้ายที่ประดังมาจากสิ่งอื่นเช่นถูกใส่ร้ายป้ายสีให้เสียความผุดผ่องไปนั่นทางหนึ่งเป็นความเสียที่มาจากภายนอกอีกทางหนึ่งเป็นความเสียเกิดขึ้นจากใจนั่นเอง ความเสียประเภทที่เกิดขึ้นในใจเองอย่างนี้มีลักษณะเหมือนกับสนิมในเหล็กที่ว่ามาแล้วต่างแต่ว่านั่นเป็นสนิมในเหล็กแต่นี่เป็นสนิมในใจเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วทศนัทางพุทธศาสนาถือว่าบรรดากิเลส ท, ทั้งหมดเป็นจุดเสียของจิตใจทั้งนั้นเพราะทำให้ใจมั่วหมองลงไปแต่ถ้าจะเฟ้นเอาเฉพาะกิเลสประเภทซ่อนอยู่ในใจ เหมือนกับสนิมเหล็กนั้นแล้วก็มีอยู่16อย่างซึ่งเรียกว่าอุปกิเลดังจะกล่าวต่อไปอุปกิเลส16ในพระไตรปิฎกเล่มส2องมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาสได้กล่าวถึงเรื่องนี้ใจความว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันนักกรุงสาวัตถีประเทศอินเดีย ได้ส่งแสดงกิเลส16อย่างว่าเป็นกิเลสอย่างแท้จริงคือ 1. อภิชาวิสมะโลภะความโลภลุ่มๆุมด น, นดอนด้วยอำนาจความเพ่งเล็ง 2. พยาบาทคิดแก้แค้น 3. โกธะเดือดดาน 4. อุปนาหะผูกโกรธ 5. มักขะ ลบหลู่คุณท่าน 6. ปลาศะตีเสมอ 7. อิสาฤิษยา 8. มัจฉริยะความตรหนี่ 9. มายาเจ้าเล่0สาเถยยะโออวด 11. อธรรมภะหัวดือ้อสิสารมภะ แข่งดีสิบสามมานะถือตัวสิบสี่อติมานะดูหมิ่นท่านสิบห้ามาทะมัวเมาสิบหกประมาทะเล่เลอนี่แหละจุดเสียในใจคนพระตรัสเรียกว่าอุปกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองภายใน ซึ่งเป็นคำที่แปลเข้าใจยากอยู่สักหน่อยสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับภาษาวัดพอ่อแต่ความหมายก็เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอธิบายมาแล้วคือหมายถึงความน่าความเสียซึ่งเกิดขึ้นจากในเนื้อในตัวของเราเองเกิดขึ้นข้างในซุกอยู่ข้างในแล้วก็เป็นรอยตำหนิลดศักดิ์ศรีของเราลงถ้าจะเปรียบกับความเสียของมีด อุปกิเลสนี้ก็เปรียบกันได้กับสนิมซึ่งเกิดขึ้นในเนื้อมีดนั่นเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำอันตรายแก่มีดทำมีดไม่ให้น่าจับน่าใช้จะเอาหั่นผักหรือปอกผลไม้สนิมก็เลื้ออกมาอุปกิเลส16อย่างนี้ก็เกิดขึ้นข้างในซุกอยู่ข้างในแล้วทำความเสียหายคล้ายคลึงกันฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเรียบอุปกิเลสในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เพื่อผลทางปฏิบัติของท่านผู้อ่านว่าสนิมในใจพลิกต่อไปท่านจะทราบความหมายอย่างแจ่มแจ้ง